ด้ช่ชาวคุยกันถึงเรื่องของความทุกข์เป็นที่สุดของการรู้ในทางของพระพุทธเจ้าฮะยัพวกเราก็จำไว้ว่าการรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีกรอบไม่ว่าการ ทำบุญไม่ว่าการศึกษาไม่ว่าการปฏิบัติจะแนวไหนก็ช่างทังสุดท้ายก็คือเอาความพ้นทุกข์เป็นกรอบเป็นที่สุดทีนี้เราก็ย่อเข้ามาสู่การปฏิบัติทางใจว่าเมื่อกรอบกรอบเป็นแบบนี้และการปฏิบัติทางใจของเราจะเป็นอย่างไรมันก็คือการให้เห็น ให้เกิดความรู้ความเห็นในการเกิดและการดับเป็นเป็นหลักไว้หมายความว่ามันมีความรู้และความเห็นความรู้ความเห็นที่ไม่เอาอะไรเกิดความรู้ความเห็นแล้วก็เฉยเกิดความรู้ความเห็นแล้วก็เฉยเพราะว่ามันเห็นตามความเป็นจริงว่ามันมีความเกิดและความดับในตัวสภาวะนั้นๆในอง ในองค์ของความรู้เรียกว่าองค์ของความรู้ <c oughs> คําว่าความรู้ความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เนี่ยมันมีองคของมันอ <c oughs> องค์ของความรู้ที่สําคัญ <c oughs> ที่มันจะเป็นความรู้ที่เป็นผล เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างถูกวิธีที่เราได้ยินว่าพวดจงพวดจงจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกนะพวดจงอะพวดจงก็คือองค์ของความรู้ที่พระพุทธเจ้าว่าอนาปานาสติอันบุคคลอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมทําให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วทําให้พุทธชงบริบูรณ์พุทธชงที่บุคคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วจะทําให้มีวิชาและวิมุตต์เกิดขึ้นไอพุทธชงพุทธชงที่ว่านี่มันไม่ใช่เลยมันเป็นองค์ของความรู้ <c oughs> คือความรู้มันไม่ใช่ความรู้ทื่อๆไม่ใช่ความรู้เฉยๆไม่ใช่ความรู้เหมือนกับอย่างอื่น แต่ความรู้ที่มันมีลักษณะพิเศษเป็นความรู้ที่ที่ที่เป็นปุจจงอเออเป็นแบบไหนว่าความรู้ที่เป็นปวจจงอาความรู้ที่มีมีความหยั่งระลึกไม่ใช่ธรรมดามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดมาจากการที่เราไม่อ่านไม่ใช่ แต่เป็นความรู้ที่มันมาจากการยังระลึกยังระลึกไม่พอมันเป็นความรู้ที่นอกจากการยังระลึกแล้วมันมีการวิเคราะห์มีการวิจัยพิ จ, จารณาที่ขับเคลื่อนก็ไปแล้วมันก็มีความบากบัน่นมันมีเกลียวของความบากบัน่นเกลียวของความเพียนการบากบัน่นในการยังระลึกในการวิเคราะห์วิจัยอันนั้นนะ นีเนเรื่องเราก็องค์ความรู้นั่นและในขณะเดียวกันมันไม่ใช่เป็นแบบการกดดันหรืองุ่นงานฟุ้งซ่านเก็บกดแต่มันเป็นความอย่างระลึกความวิเคราะห์ความวิจัยความบากบัน่นที่มันมีความอิ่มใจความแบบความอิ่มใจใช่ไหมแล้วมันก็มีความ เย็นใจมันความเย็นใจไม่ใช่อิ่มใจอย่างเดียวนะอิ่มใจแล้วก็เย็นใจความเย็นใจแล้วมันมีความมันมีใจมันอิ่มใจเย็นใจหัวใจมันก็ตั้งมัน่น มันคงใจตั้งมัน่นแล้วมันก็เลยเฉยเราลองดูว่ามันมีการหยั่งระลึกเข้าไปวิเคราะห์วิจัยบากบันอิ่มใจเย็นใจแล้วก็ตั้งใจ มันจงแล้วก็วางใจจนเกิดการวางใจขึ้นมาความรู้ที่มีลักษณะประเภทนี้นี่แหละเป็นความรู้ที่เรียกว่าความรู้ที่เป็นประเภทของโพชฌงมมีองค์ลักษณะของโพชฌงมทีนี้เราเจริญอนาปานนาสติทำอย่างไรให้มันมีโพชฌงมอย่างระลึกที่ชื่อว่าสติในส่โพชฌงมอย่างระลึกอะไร ก็ อ, อย่างระลึกสู่ลมหายใจอย่างระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจการอย่างระลึกนั้นแหละเป็นสติต่อเนื่องไปเป็นสติสัมผัสชมการกระทําเพื่อให้เกิดความรู้ในการอย่างระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นส <c oughs> ติสัมผัสชมการวิเคราะห์ศึกษาสัมเนียตสังเกตใส่ใจในลมหายใจนั่น ต่อเนื่องไปเรื่อยเป็นธรรมวิจยะสามปูชงมันเป็นความสอดส่องใส่ใจสอดส่องในอารมณ์คือลมหายใจจากการหยั่งระลึกพอหยั่งระลึกแล้วก็วิเคราะห์สอดส่องต่อลมหายใจที่ไหลออกต่อลมหายใจที่ไหลเข้าลองลองพิจารณาดูว่าเป็นความรู้ที่มีลักษณะแบบนี้ มันก็จะเป็นความรู้ที่เรียกได้ว่าเป็นปฏิสังวิทาคือเป็นความรู้ที่มันแนบสนิทกับใจเป็นลึกลึกซึ้งมันจึงเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงขั้นที่เรียกว่าถอดถอนล้างอนุสัยกิเลสอาสวะในใจได้มันต้องความรู้แบบนี้แล้วมันจึงทําให้เราเกิดกระ บ, บวนการที่ชื่อว่าภาวนาทําให้มาผู้เจ้าว่าภาวิตโต คืออบรมให้มากพระหุรีกระโตคือกระทำให้มากพอทำให้มากอบรมให้มากทำให้มากมันก็จะเกิดเกิดเป็นองค์ความรู้อย่างชนิดที่ว่านี่แหละมันเป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งสติสัมปชัญญะก็คือการย้องระลึกกาไปธรรมวิจยะก็คือการวิเคราะห์วิจัยการการใครครวญในอารมณ์คือลมหายใจ พอเราหยั่งจิตก็ไปรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าไม่พอไงแค่หยั่งระลึกอย่างเดียวไม่พอไงมันจะต้องสอดส่อนใส่ใจศึกษาใคร้กลวนในรายละเอียดของลมหายใจที่มันไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมการใส่ใจขนาดนั้นระดับนั้นน่ะมันจะทําให้ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้เชนิดที่เรียกว่าถูกศึกษา จนกระทั่งไม่มีอะไรซ่อนเร้นในเนื้อในรายละเอียดก็ลมหายใจลมหายใจขยับปั๊บจิตรู้ขยับแบบไหนรู้ขยับแบบไหนรู้ขนายับแบบไหนรู้ <c oughs> จนช่ําชองชัดเจนในลมหายใจการขยับลมหายใจของผู้อื่นทีนี้นี่รู้ข้างในแล้วนะนี่เรียกว่าอัดชัดต่างว่าลมหายใจภายนอกคือลมหายใจของผู้อื่นที่ขยับไม่ว่าจะขยับแบบไหนสามารถรู้ในสภาวะที่ ที่เกิดขึ้นในขณะในขณะขก็ลมหายใจนั้นนั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันศึกษาใครครวญสอดส่องในลมหายใจของตนเองจนชัดเจนแล้วมันไม่มีลมหายใจใดที่แตกต่างจากนี้ออกไปแล้วมันชัดเจนถนึงขนาดนั้นมันลึกซึ้งถึงขนาดนั้นอันนี้เรียกว่าธรรมวิจยะสังเกต ด, ดูแค่สองคำนี้จิตไม่ไปไหนแล้วมันอยู่กับลมหายใจตลอดเลยและจากนั้นคืออะไรวิริยะวิริยะวิริย ะ, ยะอสามประชคือความเพียร ความเพียรในอันที่อย่างระลึกต่อลมหายใจความเพียรในอันที่จะสอดส่องศึกษาในลมหายใจของเรามีอย่างต่อนเนื่องอย่างมุ่งมั่นนั่นเรียกว่าวิริยะสามพุทธชงก็เกิดขึ้นพอทําพอมีวิริยะสามพุทธชงเกิดมันก็จิตมันก็เต็มที่มีความเต็มที่ของมันมีความเต็มที่มันก็เกิดความอิ่มใจ ท, ที่ว่าปิติสามพุทธชงมันก็จะเกิดขึ้น นี่สีข้อนี่มาดูดีความรู้ที่มีลักษณะสีประการนี้มันมันลึกซึ้งขนาดไหนแล้วเนี่ยมันแยบยนต์มีอนุภาคขนาดพอมนเกิดความอิ่มใจมันเต็มที่ของมันแล้วมันก็อิ่มตัวอิ่มใจขึ้นมาพออิ่มใจเสร็จต่อไปมันก็คือปัสสธิราแปลปัสสติว่าสบใจและอารมณ์แต่ในทางปฏิบัติเวลาจิตมันอย่างระลึกถูกลหายใจปัสสธิก น, นี้คือเกิดการเย็นใจ นอกจากอิ่มตัวอิ่มใจขึ้นมาแล้วมันมีการเย็นใจแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจจะเย็นขึ้นมาใจเย็นที่มีการอย่างระลึกมีการศึกษาใครควรวิเคราะห์ต่อลมหายใจมีความเพียรบากบันมีความอิ่มตัวอิ่มใจและมีความเย็นใจเกิดขึ้นในขณะนั้นจิตก็ยังมุ่งมั่นในการรู้ลมหายใจนั้นต่อไปพอมันเย็นใจปัสติเย็นใจปัสติความสงบใจและอารมณ์ทีนี้มันเจออะไร พอมันเย็นใจขึ้นมามันวางใจมันก็เกิดความตั้งใจโดยอัตโนมัติที่เป็นสมาธิแล้วมันก็วางใจคืออุเบกขาเหนไหเกลียวที่เป็นคุณสมบัติของความรู้ที่เรารู้ลมหายใจอย่างอย่างที่เรารู้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยรู้ไปเรื่องไปเรอยต่อเรื่องไปเรื่อยต่อนื่องไปเรื่อ ย, อนอยในนั้นะ่ะมันจะมีของมันครบทุกอย่างถ้าเราไม่ไปเสียเวลาอยู่กับอย่างอื่นส่วนมากเราจะไปเสียเวลาอยู่กับ ง่วงนอนแล้วก็หลับเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวเสียเวลามากง่วงเมือ่อยแล้วก็เคลิม้มแล้วก็ใจลอยเนี่ยเราจะเป็นเสียเวลาเนี่ยง่วงเคลิม้มใจลอยแล้วก็หลับเจ็บปวดแล้วก็นี่คือพวกพวกที่ทำให้เราเสียเวลา ถ้าเราไม่เสียเวลาเราจะสังเกตว่าแรงใจที่น้อมเข้าไปสู่ลมหายใจของเรานี่มันจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาและพวกนี้เลยเป็นเรื่องของพชทธชงต่อเนื่องเข้าไปมันเป็นระเบียบอาการที่จิตมันหยั่งระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจนั่นเป็นสติเห็นไหมพอไปศึกษาลมไปพอ ร, รู้ลมหายใจเลยออกต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจขาออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ต้นลมกลางลมปลายลมขาเข้ารู้ลมหายใจหยุด รูลมหายใจออกรูลมหายใจเข้ารูลมหายใจหยุดรู้ลมหายใจออกรูลมหายใจเข้ารูลมหายใจหยุ ด, ยออยยยดคือมันไม่ปไปเกอกเกี่ยวที่ไหนเลยมันก็จะเห็นรายละเอียดของลมหายใจและบริบทของลมหายใจทั้งขาเข้าและขาออกเห็นัหมอันนี้มันเป็นตัวนี้มันเป็นธรรมวิจยะแล้วเรียกว่าความสอดส่องธรรมเป็นโพชฌงค์ข้อที่สองพอเราลูไปเรื่อยลูบไปเรื่อยเนี่ยต่ อ, อไปมันก็จะเกิด ความน้อมใจเข้าไปรู้ก็คือวิริยะสามโูชมความเพียรในการที่จะรู้นี่เราสังเกตว่ามันไม่ใช่มีความพยายามที่จะเข้าไปรู้แล้วมันไม่ใช่การต้องเก็บกฎในการที่จะต้องมารู้ลมหายใจแล้ว มันมันต้องไม่ได้ไม่ได้ไไดข้าวก็กินของเข้าไปแล้วอุ้ษาคนละแล้วมาแล้วรองเท้าก็ถอดไต้กระรักแล้วขึ้นมาข้างบนลแล้วนั่งแล้วพระอาจารย์ก็นั่งอยู่แล้วคนอื่นเขานั่งกันได้ไม่ได้แล้วมันจะมากักขังตัวเองเพื่อเก็บกดให้มันนั่งให้ได้อยู่จนครบในเวลาเนี่ยมันไม่มีแนละ้วมันเป็นตัววิญญาณอย่างธรรมชาติขึ้นมาในตรงนั้นเพื่อที่จะอย่างระลึกลมหายใจเพื่อที่าจะจัตสุดาลมหายใจนอกจากลมหายใจจิตจะไม่ไปใส่ใจเรื่องอื่นมันมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นมันก็จะกลับมาหาลมหายใจ มันถือว่าลมหายใจเป็นบทเรียนหลักอันนั้นเป็นวิทยาพอมันเป็นวิทยาเสร็จต่อไปทาไปเรื่อมันก็เกิดความอิ่มตัวของมันอิ่มตัวมันใจมันก็เกิดการอิ่มขึ้นมาอันนั้นเป็นปิติในสมัมปิติในสามพุทชงจะไปเอ่ยถึงปิติในฌานอะไรนะปิติในสามพุทชงคือว่าความอิ่มตัวของจิตที่ เข้าไปศึกษาอย่างะระลึกต่อลมหายใจรู้ที่มีความอิ่มตัวลงมามันก็เกิดความอิ่มใจของมันอาการอิ่มใจของจิตที่อยู่กับลมหายใจนั้นมันทําให้มันคลายตัวออกมาจากหลายๆเรื่องพออิ่มจัวอิ่มใจเสร็จแล้วต่อไปมันก็เกิดการเย็นใจใช่ไหมมันจะเป็นไปตามลําดับของมันอย่างนี้พระพุทธเจ้าเจอเรื่องเหล่านี้และนํามาแสดงพอใครเจ็บป่วยไม่สบายพระพุทธเจ้าก็เทศ เรื่องสัพชงเรื่องโพชงเนี่ยพอพระที่ฟังเรื่องสัมโพชง์ก็เดินจิตไปตามลําดับเดินจิตไปตามลําดับของสติปัฏฐานให้จิตอยู่กับฐานใดฐานหนึ่งจนเกิดเป็นโพชฌงไปตามลําดับเมื่อโพชฌงไปตามลําดับจิตก็จะคลายตัวออกมาแล้วในที่สุดมันจนถึงอุเบกขาสัมโพชงมันก็เกิดการวางเฉย รู้รู้รู้รู้รู้เข้าใจรู้เข้าใจรู้เข้าใจรู้เข้าใจรู้เข้าใจตั้งมั่นสุดแล้วก็ปล่อยวางความเจ็บความป่วยความเมื่อยความคันความชาความอะไรต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยนิดๆหน่อยๆนะที่เป็นอยู่นะก็หายบรรเทาผ่อนคลายไปนั่นพูดชงจึงรักษาโรคได้และรู้ที่มีลักษณะเจ็ดประการที่ว่าเนี่ยอืม ทำให้เกิดยาณทัศนะทีนี้มันจะที่มีกําลังทั้งรู้ที่มีกำลังทั้งเจ็ประการเนี่ยมันจะทําให้เกิดการรู้การเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะทั้งหลายว่ามีการเกิดและการดับก็คือขันห้าเนี่ยรู้เห็นรูปและเวทนาธัญญาทั้งขายมิจญาว่ามันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นและดับไปในที่สุดเห็นการเกิดการดับเป็นธรรมชาติจากรู้ที่มีกําลังด้วยองค์ประกอบทั้งเจ็ดประการ นั่นถ้าเราไม่เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นการเกิดและการดับตามธรรมชาติของจิตได้ถ้าเราเห็นการเกิดและการดับตามธรรมชาติจากความรู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาอบรมขึ้นมาบ่อยๆทาให้มากบ่อยๆมากบ่อยๆเนี่ยจนมีกําลังของมันอย่างนี้แล้วเนี่ย เราก็จะรู้ว่ามันที่สุดของมันก็เหมือนที่พุ่มพวงชาสุดกองมันอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนนะสิเออพ้ทุกสิ้นทุกสุดอยู่ที่ทุกเหมือนกันหมดนะที่ต่อมาให้ถูกหมดนะ่ะสุดอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นจะมีอะไรก็ช่างมันถูกเปล่ะเออวันนี้จะเดินไหมไม่ต้องเดินน้องนะฮะ นั่งกหลับแน่นี่ดูท่าทางอ่ะนั่งกงไม่ผ่านเลย <c oughs> <c oughs> ให้อยู่อิริยาบถอิสระสี่สิบนาทีมีอิริยาบถอิสระฟังก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะคำว่าอิริยาบถอิสระด้วยพื้นฐานของอะไรด้วยพื้นฐานของสติปัฏฐานสี่ด้วยคำว่าสติปัฏฐานสี่เราอยู่กับลมหายใจก็ได้ เราอยู่กับอิริยาบถก็ได้แต่นี่คืออยู่ในรูปแบบนะอยู่ในอิริยาบถก็ได้อิริยาบถมีทั้งใหญ่มีทั้งย่อยอิริยาบถใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนแต่อิริยาบถนอนน่ะคงขอวงเล็บไว้เนะขอวงเล็บอิริยาบถนอนไว้ก่อนนะเอายืน เดินนั่งอิริยาบถ ย, ย่อยคืออะไรการเลี้ยวซ้ายเอียวขวาการแงนการก้มการยกแขนเหยียดแขนยกขาขออภัยนะคูขานี่ก็เรียกอิริยาบถ ย, ย่อยเพราะอิริยาบถต่านี้มันซ้อนอยู่ในอิริยาบถใหญให่เราจะทำยังไง ให้มันเป็นสติปัฏฐานก็รู้ในอิริยาบถนั้นๆั้นรู้อิริยาบถนั้นทีนี้พอเรารู้ในอิริยาบถนั้นๆแล้วมันทำยังไงสมมติเาเรานั่งอยู่อย่างนี้เรารู้ในการนั่งนั่งแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเพราะว่าทำให้เกิดกายในกายขึ้นมาได้ไงเราก็ต้องจับกายเล็กแหวะอะไรคือกายเล็กที่เราจะต้องใช้ในการนั่งฮะ ะจะอิริยาบถย่อยหรือลมหายใจก็ได้นะเออสมมติว่าถ้าถ้าเราจะจับเป็นกายเล็กซ้อนขึ้นมาในกายใหญ่ในอิริยาบถนั่งเรารู้ว่านั่งอยู่เฉยเงี้ยมันความสัมผัสคือ ว, ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเล็กๆเราก็จะต้องหากายเล็กๆให้เขาจะอยู่ใช่ไหมเพรเรารู้กายใหญ่ว่าเอออิริยาบถใหญ่มันนั่งแล้ว เราก็เอาดียาบทย่อยให้เขาดียาบทย่อยก็อาจจะให้มาจับอยู่อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดหรือจะนั่งแล้วจะไปเอาแบบสิบสี่รู้ของพ่อเทียนก็ได้ฮะเป็นบ่าฮะเออรู้ของหลวงพ่อเทียนใช้ได้เลยเป็นดียาบทย่อย แต่ไมได้ได้แต่ว่าเปลี่ยนได้หลังจากเราอยู่กับอิริยาบทเล็กเสร็จแล้วอินบทย่อยเสร็จแล้วเราก็ลองยืนซิเอออยู่กับอิบุยืนยืนก็รู้อีกเพราะเรารู้ในการยืนเนี่ยเราสามารถให้เกิดความรู้ตัวในการยืนของเราได้ด้วยอะไรด้วยการใช้จิตสำ ร, รวจตรวจ ด, ดูทั้งกายแล้วก็ไปขยับเท้าใช่ไหมเพราะน้ําหนักของเรามันกายที่มันทรงอยู่น้ําหนักจะไปกดอยู่ที่ฝ่าเท้าใช่ไหม เราก็ขยับขวานเ้าให้จิตมันรู้สึกแต่เราจะทําทอย่างนี้ได้ต่อเนื่องได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ยือกันอยู่เราก็หาหาอิริยาบถเล็กๆให้เขาให้จิตได้เกาะ อ, อยู่ถ้าเราเมื่อกี้ทั้งนั่งถ้าไม่มีอิริยาบถเล็กเราก็อยู่กับลมหายใจได้นะนั่งเสร็จเราก็ยืนพอนิ่งรู้การยืนเสร็จแล้วเราไม่รู้จะอะไรเราก็รู้ลมหายใจได้ในขณะที่ยืนเข้าใจปะ คือหาหาสิ่งให้จิตได้อยู่ในอิริยาบถนั้นนั้นซึ่งสิ่งที่จิตเข้าไปอยู่ด้วยนั้นต้องเป็นฐานที่ตั้งของสติในสติปัฏฐานแล้วมันก็ทั้งหมดไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นแต่อื้อและส่งเสริมเข้าไปสู่สติสามพุทชงแล้วก็ศึกษาเรียนรู้อารมณ์ที่จิตอยู่ควบคู่กันไป ศึกษาเรียนรู้อารมณ์ที่จิตอยู่สมมติจะอยู่กับลมหายใจก็ศึกษาเรียนรู้อารมณ์คือลมหายใจวิเคราะห์แยกแยะหารายละเอียดของลมหายใจดูไปเรื่อยในขณะที่ยืนหรือขณะที่นั่งทีนี้ถ้าหากว่าจิตอยู่ที่กายเออถ้าจิตอยู่ที่กายสมมติวันอยู่ที่ที่ที่อารมณ์กายกายเล็กอิเดียบทเล็กๆอย่างนี้มัน หยุดอยู่นิ่งๆนะแลสภาวะอันใดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทํำยังไงฮะมีสภาวะอันอื่นเกิดขึ้นที่มันปรากฏอะไรก็ตามเกิดขึ้นหนขณะนั้นเราก็ต้องเห็นมันเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตามความเป็นจริงเพราะว่าสมมุติว่าเราจับนิ้วเราอยู่างเงี้ยจริงๆ น, นะธมาไม่น่าจะพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราก็จับมาพยายามฝึกอย่างนี้กันอีก เอาเอาลมหายใจดีกว่าเราไปนั่งเรารู่ลมหายใจอย่างเงี้ยเราไปนั่งอย่างนี้นั่งตามสบาย private ส่วนตัวของเรานะแล้วเราก็รู้ลมหายใจก็ว่าเราลืมตาแล้วก็รู้ลมหายใจหลับตาแล้วก็รู้ลมหายใจไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามม่าขนาดนั้นเราทำยังไงแค่รู้ว่ามันเกิดพอรู้มันเกิดแล้วเสร็จแล้วก็พอเรารู้ปั๊บมันก็จะดับแล้วก็รู้ว่ามันดับ ว่จบแล้วเพราะมันสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นพอมันดับไปจบไหมจบจิตกลับไปไหนกลับไปสู่ลมหายใจเข้าไปทีนี้มันจะลุกขึ้นนะนั่งแล้วกิมันจะลุกขึ้นนี่คือการปฏิบัติในอุปยาบทที่ที่ตมาเรียกว่า private คือมันจะลุกขึ้นรู้ลมนั่งรู้ลมหายใจแล้วมันจะลุกขึ้นทาําไงอะค่อยค่อยรู้และค่อยค่อยเคลืลค่อนเก่งมากเลยเนี่ยนี่มันไปหลายสำนักมาก นี่ไปหลายสมนักมากเลยเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆเคลื่อนเข้าใจไหมคือพูดอย่างนี้ทันนะค่อยๆรู้ค่อยๆเคลื่อนคือให้ทุกขณะของการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปตามกาลังของสติที่มีในขณะนั้นค่อยๆรู้ค่อยๆเคลื่อนแล้วก็ถ้าต้องไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่มีความสงสัยนะ ถ้าปล่อยให้จิตสงสัยอยู่นั่นในคือนิวร์มาครอบนะอย่าปล่อยให้มันเกิดความสงสัยพอมันเกิดความสงสัยปับ๊บรู้เลยรู้เลยว่าไอ้ น, นี่มาปรุงแล้วทำยังไงก็ยกเข้าไปสู่กายจุดใดจุดหนึ่งหรือที่ใดที่ควรอยู่คือลมหายใจยืนก็ยืนได้อยู่ใด้นิ่งเลยแล้วก็ยกจะยกจิตเข้าไปสู่ลมหายใจเลยอย่างระลึกเข้าไปสู่ลมหายใจน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นหลักไว้น้อมก็ไปสู่ลมหายใจเพราะฉะนั้นจากนี้ไปโยมจะนั่งตรงนี้ก็ได้จะลุกไปยืนเดินอยู่ที่ชั้นโน้นก็ได้จะอยู่กับการรู้เท้าก็ได้ทุกๆอิริยาบถ ท, ที่ขยับให้อยู่กับสตินะใช้ตรงนี้ก็ตามสัญญาณตั้งนาฬิกาไว้ ลองลองให้โอกาสให้โอกาสการฝึกฝนขัดเกลาจิตนี้ที่มันเป็นไปอย่างธรรมชาติที่มันควรจะเป็นกดบริพุทไม่ต้องห่วงกระเป๋ากระเป๋าก็ไม่ต้องไปห่วงมากเกิดมันหายไปทั้งกระเป๋าก็ไม่ถึงขั้นจนนะฮะ มไม่ถึงขั้นจนลบอ้าวเดินได้เดินได้เลยตรงนี้ก็ได้เดินตรงนี้ก็ได้โยมเดินตรงนี้ก็ได้เวาลาเดินเราก็พยายามควบคุมอินทรีย์ของตัวเองนะมองไม่ต้องให้ไกลนั่งก็สบายนั่งก็ได้เดินก็ได้นั่งนี่อยู่กับอิริยาบถย่อยก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ดีเดินได้หมด